สิบปีที่แล้วมีมหากรรมโอลิมปิกจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลปีนั้นเนี่ยมันมีนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยดังเป็นพลุเลยนะแล้วก็เป็นม้ามืดที่คนส่วนใหญ่แทบไม่ยินชื่อมาก่อนคือ โ, โจเซฟส์คุลลิงนักว่ายน้ำชาวสิงคโปร์ที่ดังก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะแชมป์เหรียญทองเรียกเป็นเจ้าพ่อนะ ในเรื่องการว่ายน้ำเนี่ยคือไมเคิลเฟลว์ได้แล c ก็เฟลว์นี่ดังมากนะปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกนะเป็นว่าเล่นเลยเพราะาเหรียญทองก็23เหรียญถ้าเหรียญอื่นอีกก็ลงแล้วก็เป็น28ไม่เคยมีใครเนี่ยได้เหรียญทองมากมายขนาดนี้แล้วก็เป็นตัวเก่งนะในกีฬาว่ายน้ำที่บราซิลรา้ว่าโจเซฟส์คูลิงเนี่ย ซึ่งถ้ามีใครรู้จักเลยจากสิงคโปร์ซึ่งก็ไม่เคยมีมีประวัติด้านเหรียญทองอุลติคจากการวา่ายน้ำเพราว่าเอาชนะแล้วก็เฟลกได้บาคนก็แตกตื่นกันใหญ่เพราะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันก็มีคนไปถามถึงเคล็ดลับของโจเซฟสคุลลิงเนี่ยแน่นอนนะเขาก็พูดถึงความ แข็งแกเมันเพียงในการซ้อมทำงานหนักแต่ก็พูดถึงเหตุการณ์หนึ่งนะที่มันมีผลต่อชีวิตเขามากนะคือเขาเคยตกรอบนะโอลิมปิกเมื่อ4ปีก่อนตกรอบเลยนะก็เียว่าเป็นความร่มเหลว ที่สําคัญทีเดียวแต่เขาบอกว่าเนี่ยความล้มเหลวและความผิดพลาดเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยเป็นคนดีขึ้นเติบโตขึ้นในความล้มเหลวความผิดพลาดครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองเนจนกระทั่งสามารถที่จะได้เหรนทองโอลิมปิกจากการว่ายน้ํา ชนี้ที่เรียกว่าโค้นิคเกิลเฟลว์ได้ตัวเซซูริงก็นี่ก็ดังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราแทาจะไม่ได้ยินชื่อเขาเสียลวเพราะว่าหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงได้รับความยกย่องสรรเสริญแล้วก็ได้เงินนะ มีหลายเ่ต่างๆตามมาทั้งเงินทั้งชื่อเสียงทั้งความสำเร็จเนี่ยสุดท้ายมันทำให้ัวเซฟคูเลงเนี่ยไม่ได้สนใจนะการฟิต ก, การฝึกซ้อมเท่าไหร่ฝีมือเขาก็ตกลงไปเรื่อยๆไม่ได้ควบคุมการกินการคุมน้ำหนักเลยนะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้น สุดท้ายกลายเป็นว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทำผลงานดีเด่นได้เลยแม้กระทั่งเอเชียนเกมเนี่ยแถมถูกจับได้ว่าไปสูบกัญชาอีกเนี่ยโอ้เรียกว่าชีวิตนี่ตกต่ำเลยตกต่ำหลังจากที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีทองไอตอนที่เขาล้มเหลวเขาผิดพลาดนี่นี่ ชีวิเขาลุ่งเลยนะเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันทำให้ผมเป็นคนดีขึ้นเติบโตขึ้นแต่พอเขาประสบความสำเร็จชีวิเขากลับแย่ลงนีงมน่มันมันเชื่อเห็นเลยนะว่าชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรารถนาของผู้คนเนี่ย มันไม่ได้ดีเสมอไปนะมันก็สามารถจะฉุดให้คนตกต่ำลงได้ในขณะที่ความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยมันกลับทำให้คนอย่างเขานี่เรียกว่าจเจริญเติบโตมากขึ้นคนจนใหญ่ก็ต้องการนะนะเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จเวลาทำบุญก็อธิษฐานก็ให้ได้สิ่งนี้ แล้วบว่าคนยังไม่น้อยเนี่ยสมหวังนะอย่างหลายคนที่อธิษฐานว่าขอให้ได้ถูกลอตเตอรีร่ระงวัลที่หนึ่งแต่พอถูกลอตเตอรีร่แล้วเนี่ยได้เงินมาหลายสิบล้านนี่เพราะว่าชีวิตแย่ลงนะอย่าง ร, าปรอปภเนี่ยเจ้าที่ ร, ปรอปภคนหนึ่งได้เงินถึงสามสิบล้านนะเพราะว่า ชีวงนี้แย่ลงเลยพออหัวแตกแยกเมียก็ฟ้องต้องการส่วนแบ่งสิล้านมันก็มีข่าวทานองนี้มากนะบางคนถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งดีใจเลี้ยงฉลองจนเมามายสลบไปเพราะว่าเพื่อนนี่เอาลอตเตอรี่ขโมยไปไปขึ้นเงินเจ้าตัวเสียใจมากเลยนะลามนี่ลอยสูญหาย เพราะดีใจเกินเหตุก็กลายเป็นบ้าไปเลยก็มีหรือบางคนขายที่ได้นะขายที่ได้เนี่ยหลายสิบล้านเลยแต่ว่าในเวลาไม่กี่ปีต่อมาก็กลายเป็นคนยากจนเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าพอได้เงินมาแล้วก็ใช้ใจ่ายเสษนะเที่ยว แจกเงินให้กับผู้หญิงขณะที่ลูกๆนี่ก็ไม่พอใจที่พ่อนี่ไม่ได้แบ่งเงินให้อย่างที่ต้องการก็คงแบ่งนะแต่ว่าไม่พอหรือไม่สมอยากก็เกิดความกินแหนงแขปลงใจยิ่งกนั้นคือว่าพอมีเงินมากใช้มากติดเหล้าติดการพ น, นัน ติดอบายมุกเงินก็หมดล่อยลอสุดท้ายก็ขายที่ขายบ้านไม่เหลือเลยอาชีพที่เคยมีก็เลิกกลายเป็นคนยากไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าโชคหรือความมั่งคั่งร่ำรวยที่หลายคนปรารถนา บ่อยครั้มมันก็พาผู้ค น, นสู่ความตกต่าในทางตรงข้ามนะในความยากจนความลำบากนี่มันก็สามารถทำให้บางคนนี้เรียกว่าเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุดยังมีคนหนึ่งเนี่ยนะลำบากยากจนมากเนเพราะว่าพ่อไม่ค่อยสนใจดูแลครอบครัวปล่อยให้แม่ต้องเลี้ยงดูลูกซึ่งมีอยู่หลายคน ก๋เตี๋ยวชามหนึ่งนี่ต้องกินกันทั้งบ้านเลยนะเพราะยากจนมากพ่อก็ไม่รู้หายหลบหายไปไหนก็ปล่อยให้ลูกๆเนี่ยต้องดิน้นรนตัวเขาเองนี่ก็ต้องเรือว่าต้องรู้จักกระเสืกสนหาเงินตั้งแต่เล็กส่งเงินหาเงินส่งน้องเรียนและให้ตัวเองเรียนด้วยสุดท้ายเนี่ยกลายเป็น นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จธุรกิจของตัวนี้ก็หลายพันล้านเลยแล้วตอนหลังก็รับพ่อมาดูแลพ่อพ่อป่วยเขาบอกเขาไม่รู้สึกเกียดพ่อเลยนะเขาขอบคุณพ่อดยวยซ้ำเขาบอกว่าเนี่ยพ่อพ่อพ่อป้าเป็นอย่างเนี้ยพ่อป้าทำให้ผมมีวันนี้ ทำให้มีวันนี้ทําให้มีวันนี้ได้ยังไงก็ทําให้เขาต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนจนกระทั่งมีความสามารถในทางธุรกิจถ้าพ่อหรือป้านี่ดูแลเขาดีเขาอาจจะไม่มีความสามารถในทางธุรกิจไปได้แต่พอป้าเนี่ยนไม่รับผิดชอบครอบครัวทําให้เขามีวันนี้ นี่ก็เป็นเป็นมุมมองนะที่มันทำให้เขาเนี่ยไม่ได้มีความเกลียดชังพ่อหรือว่าขมคืนกับชีวิตที่ผ่านมากับขอบคุณได้ซ้ำอันนี้ก็เรียกว่าความลำบากนี่มันก็ทำให้หลายคนเข้มแข็งนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการงานหรือจะลงในความสุขในชีวิตก็ได้ในที่ความสะดวกสบายทำให้หลายคน เสีผู้เสียคนหรือสมัยนี้ความสุขสบายก็ทําให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในขณะที่ความเจ็บป่วยก็ทําให้บางคนนี่สามารถจะใช้ชีวิตยอย่างปกติสุขได้บางคนนึกกับขอบคุณความเจ็บป่วยอย่างที่เคยเล่าเนี่ยผู้หญิงคนนึงเป็นมะเร็งเต้า น, นมเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมะเร็งมันทําให้ เขาเข้าใจชีวิตแล้วก็รับมือกับโลกได้ดีขึ้นทำให้มีความสุขขึ้นจึงไม่กลัวมะเร็งเลยถ้าไม่เป็นมะเร็งก็อาจจะต้องตายเพราะโรคซึมเศร้าเพราะเกิดพยายามฆ่าตัวตายไาแล้วสามครั้งแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยทัศนคติ ก, การมองโลกการมองชีวิตเปลี่ยนไปขนาดจิตแพทย์ยังทักเลยว่า เขาเปลี่ยนไปนะเมื่อเริ่มเป็นเมื่อเราจากที่ได้เป็นมะเร็งอันนี้ก็เียว่าความเจ็บป่วยก็สามารถทำให้คนบางคนเติบโตขึ้นได้นะแล่สามารถที่จ ะ, ะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นสิ่งที่หลายคนเนี่ยปรารถนา ไม่ว่จะเป็นความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงมันไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปในทางตรงข้ามียสิ่งที่หลายคนไม่ปรารถนาเช่นความล้มเหลวความยากลำบากความยากจนหรือความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็สามารถทำให้ชีวิตของบางคนเนี่ยดีขึ้นได้ จึงพูดได้ว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไร่นความล้มเหลวความยากลำบากความเจ็บป่วยมันไม่ได้ทำให้คนเราดีขึ้นทันทีนะมันอยู่ที่ว่ามุมมองด้วยอยู่ที่มุมมองหรือว่าอยู่ที่ว่าเราทำอย่างไรกับมันเช่นเดียวกันนะ ไอ้โชคลาภความสําเร็จชื่อเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปแปลว่าจะทําให้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ไปแปลว่าจะทําให้คนเรามีชีวิตดีแย่ลงมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรหรือว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรแต่คนมักจะไม่เข้าใจตรงนี้มันจะคิดว่าเนี่ยถ้าฉันมีโชคได้ลาบแล้วชื่อเฉันก็จะดีขึ้นทันทีหรือว่าถ้าเกิดมี มีเคราะห์มีความเจ็บป่วยมีความยากลำบากช่วยฉันก็จะแย่ทันทีอันนี้มันไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญตั้ากั่ว่าเราทำกับมันอย่างไรเราปฏิบัติต่อมันอย่างไรเรามีมุมมองต่อมันอย่างไรเรารู้สึกต่อมันอย่างไรวควาต่อว่าดาทอนะสหรบับบางคนกลายเป็นของดีนะอย่าง เจ้าของเมืองโบราณก็เคยพูดว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลถูกตำหนิเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นของดีจึงไม่ทุกข์นะเพราะว่ามันทำให้ได้ประโยชน์นะจากคำตำหนิหรืออย่างคำด่าทอสหรับบางคนนี่ถือว่าเป็นของดีเพราะเป็นเครื่องเครื่องขัดกิเลสนะไม่ได้ทุกข์เลยไม่ได้โกรธแค้นเลยเมื่อถูกด่า นะกับกับเชิญชวนให้มามาดายเนะเพราะว่ามันช่วยขัดกิเลสอย่างที่แม่ชีสาเนี่ยเคยขอร้องพระสองรูปที่มาด่าท่านว่าเนี่ยว่าเสียงด่าคำด่าของท่านนี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยนะคราวหน้าก่อนนี้หมมา ดาว่าใหม่นะกิเลสก็ได้หมดสักทีไม่ได้ทุกข์พ่ออะไรเพราะว่ามองว่ามันมีประโยชนนะ์หรือว่าหาประโยชน์จากมันได้นี่สำคัญนะอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรนะอันนี้มันเป็นความจริงนะซึ่ง ในแงๆหนึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยมีอิสระหรือมีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยครั้งเราก็ทำอะไรไม่ได้นะคนที่เขาจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้หรือว่าความเจ็บป่วยบางครั้งก็ห้ามไม่ได้ความล้มเหลวแม้เราจะชามเต็มที่แล้วมันก็ยังล้มเหลว อันนี้นเป็นเรื่องที่เราทำอะไรได้ยากควบคุมได้น้อยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะทำอย่างไงกับมันจะมองมันอย่างไรจะรู้สึกกับมันอย่างไร แม้กระทั่งความเครียดเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายกันเยอะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความเครียดเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราใจแย่เสมอไปน ะ, ะมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรอย่าง เขาเคยทดลองกับนักศึกษาที่กำลังเตรียมสอบเข้าที่กำลังเตรียมสอบเข้าเรียนปริญญาโทนนะีมาในหมหาวิทยาลัยหนึ่งในอเมริกาเพื่อมีการสอบทดสอบนะก็แบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึ่งบอกเนี่ยความเครียดในขณะสอบเนี่ยเป็นของดีนะมันทำให้ความสามารถดีขึ้น ี ก, กลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้บอกอะไรเลยพอให้ทดลองสอบดูพรากว่ากลุ่มแรกเนี่ยสอบได้คะแนนดีกว่ากลุ่มที่สองทั้งที่ความเครียดก็พอกันเขารู้ได้ไงเขารู้เพราะว่าออนน้ำลายนยของทั้งสองกลุ่มนะมาตรวจสอบก็เพราะว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีความเครียดพอๆกันจากกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดีต่อความเครียดน ะ, ะเขากลับสอบได้ดีกว่า แล้วถึงเวลาสอบจริงๆก็สอบได้ดีกว่าเช่นเดียวกันแล้วเคยมีการศึกษาตนะิดตามผลนะคนหลายพันคนในอเมริกาเขาก็สำรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเขาก็ตรวจทุหมดแล้วก็ถามประโยคนึงว่าเนี่ยคุณรู้สึกยังไงต่อความเครียด บางคนก็บอกว่าก็รู้สึกเฉยๆบางคนรู้สึกแย่บางคนก็บอกวความเครียดเป็นของดีผ่านไปนะสิบกว่าปีเขาก็ไปติดตามคนเหล่านั้นอีกก็นแน่นอนหลายคนก็ตายแล้วก็เพราะว่าคนที่รู้สึกแย่กับความเครียดเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเร็วกว่า ตายเร็วหรือตายก่อนวัยอนควรสี่สิบกรณะที่คนที่เครียดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สึกแย่ต่อความเครียดเนี่ยอัตราการการตายเร็วเนี่ยนะมันน้อยกว่าไม่ได้น้อยกว่าคนที่บอกว่าเครียดไม่ดีเท่านั้นนะยังน้อยกว่าคนที่บอกว่า ตัวเองเนี่ยเครียดไม่เท่าไหร่หรือคนที่มีความเครียดต่ำได้ซ้ำอันนี้นก็แสดงว่าความเครียดจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้วายอยู่ที่ว่าเรามองเรามีทัศนคติอะไรต่อความเครียดนี่เวลามองย้อนเข้ามาใกล้ตัวเนี่ยนะเวลาเราปฏิบัติทำเวลาเราเจริญสติเนี่ยมันจะมีความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นจึงที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า แม้มันจะเป็นความหลงแม้จะเป็นความฟุ้งแม้จะเป็นความกโกรธเนี่ยหรือความหงุดหงิดมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นสิ่งที่เลวเสมอไปนะมันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรนะอย่างที่หลงวงพ่อคำเกลียนเื่องเคยบอกเนี่ยหลงก็ดีนะหลงก็ดีถ้าเรารู้ฟุ้งก็ดีนะถ้าเราเห็นมันไม่ใช่ว่าหลงแล้วนี่จะไม่ดีไม่ใช่ว่าฟุ้งแล้ว จะไม่ดีดีแล้วไม่ดีอยู่ที่เราอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรนะอยู่ที่ว่าเรานะเห็นประโยชน์จากมันหรือเปล่าเาะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปบังคับจิตให้มันไม่ฟุ้งไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับจิตให้มีแต่ความคิดดีๆหรือความรู้สึกดีๆเช่นความสงบนะ ไม่สงบก็ดีนะถ้าเราเห็นมันหรือรู้ว่าไม่สงบดีกว่าสงบแล้วก็เพลินเพลิมดื่มด่ำไปความสงบจนหลงแต่แม่หลงไปแล้วก็ยังดีนะถ้าว่ากลับมาเห็นหรือกลับมารู้ว่าหลงให้สติของเราเติบโตได้นะถ้าเราถ้ามันมีความหลงบ่อย แล้วก็รู้ว่าหลง บ, บ่อยๆให้ความหงุดหงิดก็เหมือนกันความแม้กระทั่งว ค, วความโกรธก็เหมือนกันมันก็ดีหลวงพ่อความเขียนก็เคยพูดเนี่ยความโกรธนี่มันก็มีค่านะถ้าเราทํากับมันอย่างถูกต้องเนี่ยก็เอาเอามาดูไงเอามาเป็นเครื่องฝึกให้ดูเอามาเป็นเครื่องฝึกให้เห็นแต่ถ้าเราปฏิบัติกับความโกรธไม่ถูกต้องเราก็ทุกข์นะ เช่นหลงเข้าไปในความโกรธนะหรือว่าผลักสความโกรธมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เราหรือเพื่อถูกต้องคือมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเลือกได้นะเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆนี่มันก็ห้ามใจลำบากนะมันจะมีความคิดและอารมณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นดเดยพะเวลาถูกกระทบจากสิ่งภายนอก แต่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ทันทนะีมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรนะถ้าเราไม่รู้ทันมันนะปล่อยให้มันครองใจหรือเข้าไปยึดว่ามันเป็นราเป็นของเราอันนั้นหละจึงจึงทุกข์แต่ถ้าเรามีสตินะเห็นมันนะวางระยะห่างจากมัน เราก็ไม่ทุกข์และมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้สติเราเติบโตมากขึ้นเหมือนที่เคยพูดอุปมานะว่าเรือเนี่ยไม่ได้จมเพราะว่าน้ำที่อยู่รอบเรือนะแต่เรือมันจมต่อเมื่อน้ำเข้าไปในเรือแต่ใดที่น้ำยังอยู่รอบรอบเรือเนี่ยไม่เป็นไรหรอก แต่ที่น้ํายังไม่เข้าไปในเรือไม่เป็นไรน้ํากับช่วยเรือช่วยพยุงเรือให้ลอยหรือว่าให้เคลื่อนไปได้ต่อเมื่อ น, น้ําเข้าไปในเรือทางหา่างที่จึงเกิดปัญหาความโกรธความโศกความเศร้าเลือลมกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่มัน ไม่ได้แปลว่าเราจะทุกทันทีนะมนีที่ว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรถ้าเราไม่เห็นมันไม่รู้ทันมันเข้าไปยึดเข้าไปผักไสหรือไหลาตามมันก็เท่ากับปล่อยให้น้ําเข้าเรือนะแล้วหลือปล่อยให้โจรมันเข้ามาสร้างความปั่นปือนในตัวเมืองแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเห็นมัน มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเราก็มีสติรู้ทันมันต่อไปเราก็จะเห็นมันไม่ใช่แค่รู้ว่ามันมีอยู่ในใจแต่ยังเห็นอุบายวิธีของมันด้วยเราจะรู้ทางมันมากขึ้นแต่ก่อนแค่รู้ทันรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปไม่เข้าไปยึดเข้าไปผักใสหรือไม่เข้าไปเป็นเหยื่อของมัน ต่อไปเราก็จะรู้ทางเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นมันก็จะยั่วให้เราเข้าไปต่อยารวมรันพันตูกับมันซึ่งถ้าทำเช่นนั้นก็เท่ากับต่ อ, อยุให้มันมันจะหาทางต่ อ, อยุโด้วยการให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันกับมันแต่ถ้าเราแค่ดูเฉยๆเหมือนกับเราดูกองไฟสุดท้ายกองไฟมันก็ดับมอดลง แต่ถ้าเราเอาแต่เติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็จะลุกไปเรื่อยๆแล้วเท่านั้นเลยพอเนี่ยมันล่อให้เราเข้าไปอยู่ใกล้มันเราก็ร้อนเราก็ทุกข์หรือบางทีเราลืมตัวโจรเข้าไปในกองไฟเราก็ทุกข์กองไฟเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ทันทีนะเราไม่ทุกข์หรอกเราจะไม่ร้อนหรอกถ้าเราอยู่ห่างจากมันหรือว่า เราไม่โดดเข้าไปในกองไฟความโกรธเกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ทันทีถ้าเราเห็นมันหรือวางระยะห่างจากมันซึ่งจะทำได้ เ, เพราะมีสติต่อไปไม่ใช่แค่อยู่ห่างอย่างเดียวนะแต่จะเห็นธรรมชาติของมันเห็นธรรมชาติว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงทนแล้วก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, าเห็นไตลักได้จาก การที่ดูพิจารณาความโกรธอันนี้ก็เป็นนกินเลสดีวนะกิเลสแม้เกิดขึ้นไม่ได้แปว่าเราจะทุกทันทีอยู่ที่ว่าเราหลงให้มันครองจิตครองใจหรือหลงทำตามหน้าบวงกางของมันไหมแต่ถ้าเราฉลาดนะเราก็สามารถใช้กิเลสนะเพื่อลักกิเลสได้ ในอย่างที่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระอารหันต์หลายท่านก็ใช้ตัณหาละตัณหาใช้มานาะละมานะเพราะนัเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเรามีท่าทีกับมันอย่างไรเราปฏิบัติกับมันอย่างไรคือรู้สึกกับมันอย่างไรหรือใช้เปลือกกับมันได้แค่ไหนหรือปล่อยให้มันเข้ามามีอำนาจครองใจเรา อันนี้ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับชื่อของเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราในใจของเรานะมันก็เหมือนกันหมดนะคือว่ามันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะดีหรือไม่อยู่ที่เราจะจะดีหรือลายหรือไม่อยู่ที่เราหรืออยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติได้ดีปฏิบัตทิที่ถูกต้องของดีก็ทาให้เกิดประโยชน์โชคลาภก็ทาให้เกิดประโยชน์ หรือแม้จะเป็นเนะคราะห์ความยากลาบากความเจ็บป่วยหรือความทุกข์มันก็กลายเป็นของดีได้นะถ้าว่าเรารู้จักใช้มันและนี่แหละนะีคือเคล็ดลับสําคัญนะในการที่คนเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์หรือว่าสามารถที่จะยกจิตยกใจอยู่เหนือสิ่งเลวร้วายที่เกิดขึ้นไม่ว่ารอบตัวเรากับช่วยของเราหรือว่าในใจของเรา